การมาฟังเทศฟังธรรมและการศึกษาพระธรรมคำสอนจากการอ่านหนังสือ<ม>หรือจากการดูจากสือต่างๆเป็นการศึกษาหาความรู้ทางธรรมที่เป็นความรู้ที่แตกต่างจากความรู้ทางโลก ความโลกที่ความรู้ทางโลกที่สอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นความรู้ที่มีไว้สำหรับดูแลเลี้ยงดูร่างกายเป็นหลักส่วนความรู้ทางธรรมเป็นความรู้ที่ครอบคลุมมากกว่าความรู้ทางโลก คือครอบคุมทั้งการเลียงดูร่างกายและเลียงดูจิตใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายเพราะว่าจิตใจเป็นของที่ไม่ตายเป็นของถาวรส่วนร่างกาย เป็นของชั่วคราวต่อให้เราเรียนรู้รทางโลกได้ความรู้ระดับปริญญาเอกสามารถหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ก็อยู่ได้ไม่นานร่างกายก็ต้องตายไปแต่จิตใจไม่ได้ตาย จิตใจไม่ได้รับการดูแลจากความรู้ทางโลกจิตใจก็จะต้องอยู่แบบขอทานอยู่แบบอดยากอยู่แบบหิวโหวยอยู่แบบเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากความรู้ทางโลกไม่ได้สอนให้รู้จักดูแล รักษาจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายแต่ความรู้ทางธรรมเป็นความรู้ที่ครอบคุมทั้งการดูแลร่างกายและการดูแลจิตใจถ้าได้ศึกษาความรู้ทางธรรมแล้วร่างกายและจิตใจจะได้รับประโยชน์ จะได้รับความสุขร่างกายก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตามอัตภาพไปชนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจิตใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความแตกต่างระหว่างความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรม ความรู้ทางธรรมจึงถือว่าเป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทางโลกผู้ที่มีความรู้ทางโลกจึงถือผู้ที่มีความรู้ทางธรรมจึงถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าผู้ที่มีความรู้ทางโลกนี่คือความแตกต่างระหว่างความรู้ สองประเภทด้วยกันแต่ความรู้ทางธรรมอาจจะทำให้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษามองไปว่าเป็นความรู้ที่ขาดการพัฒนาคือทางธรรมนี้จะไม่ได้เน้นเรื่องการเจริญทางร่างกายเป็นหลัก จะเน้นเรื่องการเจริญทางจิตใจเป็นหลักฉันั้นทางธรรมนี้จะไม่ได้ทำให้โลกเจริญก้าวหน้าด้วยวัตถุอย่างความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้จะเน้นในเรื่องของการเจริญทางด้านวัตถุเพราะวัตถุจะเป็นสิ่งที่มาสนับสนุน การอยู่อย่างสะดวกสบายของร่างกายจะไปไหนมาไหน <Yeah. S 1> ก็สะดวกจะดูจะฟังอะไรก็มีให้พร้อมให้ดูให้ฟังตลอดเวลา <Yeah. S 1> แต่มันเป็นความเจริญที่ไม่ได้เป็นความไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริง ยมถาวรเป็นความสุขแบบชั่วคราวทางาศาสนาทางธรรมจึงไม่เน้นเรื่องของการเจริญทางด้านวัตถุทางด้านร่างกายก็ให้เลี้ยงดูพอให้ร่างกายอยู่ตามอยู่ตามปกติสุขอยู่ตามอั ต, ตภาพ คือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนก็เพียงพอแล้วสำหรับการอยู่อย่างสุขสบายของร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องมีวัตถุต่างๆมาสนับสนุนเช่นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ ที่มนุษย์เราสร้างกันขึ้นมานี้ก็เพื่อมาตอบสนองความต้องการทางร่างกายกันแต่เป็นการอตอบสนองเป็นเพียงชั่วคราวคือไม่ว่าจะมีอะไรจะได้อะไรมาก็จะให้ความสุขความสบาย ได้ชั่วคราวเพราะสิ่งที่ผลิตขึ้นมาด้วยวัตถุนี้ย่อมมีการเสื่อมมีการเสียผลิตสินค้าอะไรออกมาพอเอามาใช้ได้สักระยะหนึ่งมันก็เกิดการเสื่อมเกิดการเสียใช้ไม่ได้ก็ต้องหาสินค้าอันใหม่ อุปกรณ์ชิ้นใหม่มาใช้ต่อมันก็เลยทำให้ต้องคอยหาคอยซื้อของใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกายที่ไม่จำเป็นของที่จาเป็นกับของ ที่จำเป็นกับร่างกายนี้ก็มีไม่มากมีปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยสี่นี้เป็นของที่หาได้ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวาย แต่ใจของคนเราที่ไม่ได้รับความรู้ทางธรรมจะไม่รู้จักดูแลความต้องการของใจคือความสุขของใจเลยปล่อยให้ความหลงหลอกให้ใจไปอยากได้วัตถุข้าวของต่างๆมาบำุงบำเรอ จึงเป็นทเป็นเป็นการกดดันที่จะต้องไปหาสิ่งต่างๆมาคอยบำรุงบำเร อ, อยู่เรื่อยๆไปหาวัตถุชนิดต่างๆมาบำรุงบำเอจิตใจ<ม>ผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายได้ความสุขได้ความเพลิดเพลินเป็น เชื่อระยะเวลาสั้นๆ <Yeah. S 2> ได้มาแล้วก็หมดไป <Yeah. S 2> ไม่ทำให้เกิดความอิ่มความพอ <Yeah. S 2> กลับจะทำให้เกิดมีความหิวความอยากความต้องการเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 2> นี่คือความรู้ทางโลกที่รู้แต่เรื่องของการ หาปัจจัย4ี่ให้กับร่างกายแต่ไม่รู้จักเรื่องของจิตใจเรื่องของความต้องการของจิตใจว่าต้องการอะไรที่ทําให้จิตใจนี่อยู่อย่างสุขอย่างสบายก็เลยไปทําเรื่องที่ทําให้จิตใจต้องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาต้องดิ้นรน ต้องขวนขวายต้องต่อสู้คือการต่อสู้การแก่งแย่งชิงดีสงครามต่างๆนี้เกิดจากการไม่มีความรู้ทางธรรมมีแต่ความรู้ทางโลกที่จะคอยตอบสนองความต้องการของร่างกายและจิตใจ ร่างกายต้องการปัจจัยสี่ก็สามารถมีวิชาความรู้ที่จะผลิตปัจจัยสี่ให้ร่างกายได้ใช้อย่างมากมายสมัยนี้อาหารการกินเสื้อผ้าที่อยู่อาสัยยารักษาโรคนี้ยาริญนก้าวหน้ามากมีจำนวนมาก มากกว่าความต้องการของร่างกายแล้วก็ไปตอบสนองความต้องการของใจที่เป็นที่เกิดจากความหลงคือไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ใจต้องการจริงๆนั่นคืออะไรกับไปให้สิ่งที่ใจ ที่เป็นโทษเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะทำให้จิตใจต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยๆวุ่นวายกับตนเองแล้วก็ไปวุ่นวายกับผู้อื่นแล้วก็ในที่สุดก็ไปทำสงครามกันไปฆ่าฟันกันเพราะความต้องการของจิตใจที่เหมือนกัน ทุกคนต้องการเหมือนกันต้องการลาบยศสรรเสริญต้องการรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะซึ่งเป็นของที่มีปริมาณจำกัดในโลกนี้ เ, ออเมื่อมีปริมาณจำกัดก็ต้องมีการแก่งแย่งกัน เ, ออเมื่อแก่งแย่งด้วยวิธีสันติไม่ได้ก็ต้องแก่งแย่งด้วยวิธี ทำร้ายกันทำสงครามกันคือถือว่าใครใหญ่กว่าใครมีกำลังมากกว่าใครมีความสามารถมากกว่าก็แย่งชิงไปลาบยศสรรเสริญสุขจึงตกไปอยู่กับคนกลุ่มน้อยตามสถิติคนที่เป็นระดับมหาเศรษฐีนี่ มีจำนวนประมาณ 1% ของประชากรโลกแต่ครอบงำหรือครอบครองลาบยศสารเสริญสุขของโลกนี้ไป 90% ส่วนคนอีก 99% เป็นี้เป็นคนยากจนที่ต้องมาแบ่งทรัพยาการที่เหลือจากพวกที่เป็นพวกที่ฉลาด ที่มีความสามารถกอบโกยเอ า, เอ า, เอาราบยศสรรเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายไปถึงเก้าสิบเอร์เซนหลือไว้สิเอร์ซสำหรับคนเก้าสิบเก้าเอร์ซนเราจึงมีคนยากจนไปทั่วทั่วรลแห่งของโลกทุกแห่งทุกคนนีคนจนนี่ มีมากกว่าคนรวยเพราะความสามารถที่จะเข้าถึงความรู้มีไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่ากัน<ม>คนที่มีโอกาสได้ศึกษารเรียนความรู้ทางโลก ม, มีน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษา<ม>เพราะปริมาณสถาบันการศึกษา มีไม่พอต่อจำนวนของประชากรนี่คือเรื่องปัญหาของความรู้ทางโลกที่ทำให้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่แต่เฉพาะยุคที่ของพวกเราอยู่กันไม่ว่ายุคใดสมัยใดปัญหาก็เหมือนกัน ปัญหาการแย่งทรัพยากรมาเป็นสมบัติของตนการแก่งแย่งลาบยศสรรเสริญความแก่งแย่งความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี่มีมาทุกยุคทุกสมัยเพราะจิตใจไม่ได้รับการสั่งสอนให้รู้จักสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจ กไปหลงกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะจิตใจของคนทุกคนนี้เหมือนกันมีความหลงเหมือนกันมีความคิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่ความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้วกายกันทุกคนก็เลยพุ่งเป้าไปสู่การหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะไม่สามารถให้ความอิ่มความพอแก่ผู้ที่แสวงหาได้จึงมีการแสวงหาแบบไม่มีขอ บ, ไ ม, มขอบไม่มีเขตได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยคิดรู้จักคําว่าอิ่มว่าพอไม่เคยรู้จักคําว่าแบ่งปัน <Yeah. S 1> มี มีสิบก็อยากจะได้ร้อยมีร้อยก็อยากจะได้พันมีพันก็อยากจะได้หมื่นอยากจะได้แสนโดยไม่เคยคิดเลยว่าได้มาแล้วผลเป็นอย่างไรผลก็เป็นเหมือนตอนที่มีสิบแล้วอยากได้ร้อยพอได้ร้อยก็ดีใจเดียเด๋ยวๆแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้พันถ้าไม่ได้พัน มีอยู่ร้อยก็มีมากกว่าร้อยก็ยังก็แทนที่จะมีความสุขกับไม่สุข ท, ทั้งทั้งที่เมื่อก่อนตอนที่ได้ร้อยหนึ่งมาใหม่ๆนี่ดีใจแสนจะดีใจแต่พอพุ่งเป้าไปที่พันพอได้ห้าร้อยก็กลับไม่ดีใจต้องให้ได้พันถึงจะดีใจนี่คือเรื่องของจิตใจถ้าปล่อยให้จิตใจไหลไปตามความหลง ไหลไปตามความอยากมันจะผลิตความอยากขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้รู้สึกว่าขาดไม่พอมีเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่อิ่มไม่พอต้องมีเพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่มีขอบไม่มีเขตพระพุทธเจ้าบอกว่ามหาสมุทรนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีฝั่ง แต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีเขตได้กี่ล้านก็ไม่พอเชื่อไหมไม่เชื่อลองดูลองได้มาสักล้านหนึ่งแล้วดูซสียบทจะพอไหมพอวันแรกวันที่ได้มาใหม่ๆดีใจแต่เดี๋ยวพอเห็นของที่จะต้องซื้อนี่ล้านหนึ่งท่านจะไม่พอใช่ไหมมีของที่ให้ซื้อราคามาันมากกว่าล้าน ตอนนี้ยังไม่มีเงินล้านไม่เคยคิดจะไปซื้อของพวกนั้ น, น, นก็ไม่มีปัญหาอยู่กับของพันของหมื่นซื้อของพันของหมื่นใช้ได้พอมีเงินล้านแล้วนี่ซื้อของหมื่นของพันไม่ได้แล้วต้องซื้อของแสนของราคาเป็นแสนเมื่อเป็นซื้อของราคาเป็นแสนเงินล้านมันก็ไม่พอใช่มันก็อยากจะมีเพิ่มขึ้นไป ถึงแม้ว่าจะมีมากเกินกว่าจะซื้อของอะไรได้ก็ตามก็ยังอยากจะมีเอาไว้สำรองไว้เก็บไว้เนี่ยมันเป็นมันจึงทำให้โลกเราวุ่นวายกันมีแต่การแก่งแย่งชิงดีกันไม่มีการแบ่งปันไม่มีการช่วยเหลือกันช่วยบ้างแต่ช่วยแบบ เอาหน้าช่วยเพื่อไม่ให้เขาว่าเป็นคนหน้าเลือดหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวไอ้ที่จะช่วยแบบพระเวชสันดร น, นี้หายากพระเวชสันดรท่านต้องการปัจจัยสี่พอเพียงท่านก็พอแล้วถ้าลินอกจากนั้นแล้วถ้าท่านมีใครอยากได้ใครเดือดร้อนท่านยินดีแบ่งให้สละให้นั่นแหละ พอท่านเข้าใจธรรมชาติของใจว่าใจนี้จะสุขได้ไม่ได้เกิดจากการได้มาแต่เกิดจากการให้ไปให้สิ่งที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีแต่ใจของคนเรานี่ขาดสิ่งที่ทําให้สามารถที่จะสละจะแบ่งปันสิ่งต่างๆที่มี ให้แก่ผู้อื่นได้สิ่งนั้นก็คือความสงบของใจถ้าใจไม่มีความสงมบเนี่ยใจจะอยากอยู่เรื่อยๆแล้วพอเกิดความอยากเนี่ถ้าไม่ได้นี่มันทรมานมากเหมือนคนที่ติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพนี้มันทุกข์ทรมานมากทรมานมากกว่า ความตายที่เขาถึงยอมตายทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าเสพยาเสพติดไปไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตายแต่เขาเลิกไม่ได้ถ้าเลิกแล้วมันทรมานยิ่งกว่าความตายถ้าเขามีความสามารถที่จะซื้อยามาเสพเขาก็จะซื้อมาเสพอยู่เรื่อยๆคนที่มีเงินมีทอง มีชื่อเสียงที่ตายเพราะยาเสพติดเราคงเคยได้ยินข่าวกันเพราะเขาหยุดไม่ได้ถ้ามีความอยากแล้วความอยากตัวนี้มันเป็นเหมือนยาพิษของใจทำให้ใจนี้เครียดทำให้ใจนี้ทุกข์มากแลจาจะบำบัดมันได้ก็ต้องเสพต้องทำตามความอยากแต่ก็เป็นการบำบัดเพียงชั่วข่าว บำบัดแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ก็ต hm ้องบำบัดไปจนในที่สุดร่างกายก็รับกับพิษของยาไม่ได้ร่างกายก็ต้องเสียชีวิตไปนี่คือทาไมเราจึงสู้ความอยากกันไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่มียาที่จะมาบำบัดความอยากยาก็คือธรรมะนี่ ธรรมะความรู้ทางธรรมะธรรมะคือความสงบของใจการที่ใจเราจะรู้นี่ได้เราก็ต้องมีความรู้ทางธรรมถ้าเราไปเรียนทางโลกไม่เรียนทางธรรมเลยเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราสิ่งที่ใจเราต้องการจริงๆก็คือธรรมะนี่ธรรมะที่จะมาบำบัดการติดยาเสพติดของใจ การติดราบยศสรรเสริญติดรูปเสียงกิดรดโผฏฐะะต้องคอยดิน้นดนหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาเวลาใดที่ไม่ได้เสกแล้วเวลานั้นจะรู้สึกดหดจิตลำคาญใจทุกข์ใจไม่สบายใจซึมเศร้ า, ว, าว้าเหว อะไรต่างๆที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจนี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากความอยากทั้งนั้นจึงทำให้เราต้องไปบาบัดด้วยการทำตามความอยากเพราะเราไม่รู้วิธีบาบัดที่แท้จริงนั้นต้องบาบัดด้วยธรรมะธรรมโอสดยาของธรรมะก็คือความสงบนี่เองถ้าเรามีธรรมโอสถ มีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะสามารถทำใจให้สงบได้ทำใจให้เกิดความสุขความอิ่มความพอทำให้ความอยากไม่สามารถ<ม>ออกฤธิดออกเดชได้<ม>ไปกดไปหยุดไปทำลายความอยาก<ม>ธรรมโอสฐ์นี้เป็นยาที่จะไปทำลายความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปนี่แหละคือความรู้ทางธรรมกับความรู้ทางโทกทางโลกความรู้ทางโลกในยิ่งรู้ยิ่งยิ่งโง่คือยิ่งหาความทุกข์มาให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเมื่อมีความรู้มีความสามารถก็อยากจะหาลาบยศสรรเสริญหาลดเสียงกลิ่นลดผลผภ ซึ่งเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดอพอมีเงินมากจะคิดหาซื้ออะไรก็จะซื้อแต่ยาเสพติดซื้อยาเสพติดมาสำรองมาเก็บเอาไว้มาตุนเอาไว้เลยะจะได้เสพอย่างต่อเนื่องเพราะขาดไม่ได้ยาเสพติดเมื่อมันติดแล้วมันเวลาขาดนี่มันทรมาน ยิ่งมีความสามารถมีความรู้ที่จะหาเงินหาทองได้มากเท่าไหร่ mm hmm. ก็จะเอาไปใช้ในทางที่ผิด mm hmm. เอาไปใช้ในทางที่จะทำลายชีวิต mm hmm. ทั้งร่างกายและจิตใจของตนโดยไม่รู้สึกตัว mm hmm. นี่นี่คือความรู้ทางโลก mm hmm. ถ้าคนที่มีความสามารถที่จะหาเงินหาทองได้ mm hmm. ถ้าไม่มี ความรู้ทางธรรมเลยเนีย่จะวอดวายจากคนที่มีความรู้ทางธรรมก็จะพอจะรู้จักหากข้ามจิตใจบ้างแม้จะไม่สามารถห้ามความอยากได้หมดก็อย่างน้อยก็คอยคุมมันไว้ให้มันอยู่ในระดับที่ไม่มาทำลายาชีวิตจิตใจของตน แต่การที่จะอยู่อย่างมีความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจมีความสงบมีความร่มเย็นมีความสุขเหตุที่จะทำให้จิตใจมีความร่มเย็นก็คือธรรมะธรรมโอสถ ที่พระเจ้าได้ส่งคนพบมีหลายชนิดด้วยกันมีชนิดอ่อนๆไปถึงชนิดที่มีกำลังมากมก็ส่งเอามาสอนพวกเราให้เราไปหาธรรมโอสถมาบำบัดโรคจิตโรคใจของเราโรคหิวโรคโหยโรคอยากโรคต้องการอะไรต่างๆของใจ บับัดความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะที่เป็นเหมือนกับายาเสพติดนี่นี่คือความแตกต่างระหว่างความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมจะเหมือนกันตรงที่เรื่องของการเรี่งดูร่างกาย ความรู้ทางธรรมก็สอนให้เราเลี้ยงดูร่างกายความรู้ทางโลกก็สอนให้เราเลี้ยงดูร่างกายแต่ต่างกันตรงที่ปริมาณของการเลี้ยงดูร่างกายทางโลกจะไม่มีไม่มีขอบมีเถยนไม่อั้นอยากจะกินเท่าไหร่กินไปอยากจะมีเสื้อผ้ากี่ร้อยชุดรองเท้ากี่ร้อยคู่มีไป อยากจะมีบ้านกี่หลังมีไปอยากจะมีหมอมียาราคาแพงแพงก็มีไปอันนี้ไม่มีขอบไม่มีเขตเพราะความหลงคิดว่ายิ่งมีมากยิ่งมีความสุขมากแต่ความจริงแล้วมันเท่ากันมันดูแลร่างกายได้เหมือนกันมีบ้านสิบหลังกับมีบ้านหลังเดียวมันก็เหมือนกันเพราะ ร่างกายมันมีล่างเดียวมันจะนอนก็นอนที่เดียวมันไม่ได้นอนทีสิบหลังเสื้อผ้าถ้อให้มีกี่ร้อยชุดมันก็ใส่ได้ทีละชุดรองเท้ามันก็ใส่ได้ทีละคู่อาหารมันก็กินได้แค่จานสองจานถ้ากินมากมันก็เป็นอันตรายกับร่างกายเอเป็นโรคน้ําหนักเกินอพอน้ําหนักเกินมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายตามมา ทางธรรมถึงสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ให้ดูที่ความต้องการของร่างกายอย่าไปดูที่ความต้องการของใจร่างกายต้องการอ า, อาหารเพื่อให้อยู่ได้เพื่อไม่ให้อดอยากขาดแคลนเพื่อไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอาหาร นี่ถ้ารับประทานเกินขนาดเกินความต้องการของร่างกายแทนที่จะเป็นคุณกลับเป็นโทษไปเราก็รู้กันยุคนี้เราอยู่ในยุคที่หาอาหารได้งา่ายเราก็เลยบริโภคอาหารกันตามความอยากแทนที่จะบริโภคตามความต้องการของร่างกายเมื่อความอยาก ม, มันมันมี ถ้าทำตามความอยากมันก็จะบริโภคมากกว่าความต้องการของร่างกายมันก็ทำให้ร่างกายนี้ต้องรับแบกภาระในการที่จะกำจัดอาหารที่บริโภคเข้าไปในร่างกายเ<ม>อาไว้ยว่าต่างๆนี้ต้องทำงานมากขึ้น<ม>คิดดูก็แล้วกันถ้าเราแบกคนหนึ่งกับแบกสองคนนี่อย่างไหนจะหนักกว่ากัน แบบคนหนึ่งมันเบากว่าแบกสองคนร่างกายของเราก็เหมือนกันคนบางคนนี่มีน้ำหนักสองเท่าของตอนเองปกติคนจะมีน้ำหนักห้าสิบโลไปมีน้ำหนักร้อยโลแล้วคิดดูว่าอวัยวะต่างๆที่จะต้องทำงานนี้มันจะต้องทำงานหนักไหมมันก็ต้องหนักกว่าเพราะมันมีอะไรที่จะต้องทำมากกว่า mm hmm. เดิมสองเท่า หัวใจก็ต้องฉีดเลือดมากกว่าสองเท่าปอดก็ต้องหายใจมากกว่าเ<ม>พราะําไส้ก็ต้องทํางานหนักกว่าเดิมที่ตํางทำไว้<ม>เนี่ยเมื่อมันบริโภคเกินความต้องการของร่างกายแทนที่จะดูแลล้รักษาร่างกายกลับไปทําลายร่างกายโดยไม่รู้สึกตัว<ม>ร่างกายก็อาจจะตายเร็วขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็จะดีมากขึ้น ทางศาสนาถึงสอนให้บริโภคตามความต้องการของร่างกายคือพออิ่มพอฉันให้อิ่มแล้วก็หยุดอย่าฉันอย่ารับประทานตามความอยากถ้ารับรทานตามความอยากแล้วถึงแม้จะอิ่มยังยังหยุดไม่ได้เพราะมันถูกปากเวลารับประทานอาหารก็ต้องเลือกอาหารที่ถูกปากถูกคอจึงทำให้รับประทานมากเกินไป นี่คือเรื่องของธรรมะกับเรื่องของทางโลกถึงแม้ว่าจะสอนเรื่องเดียวกันคือเรื่องเลี้ยงดูร่างกายแต่ก็สอนต่างกันทางโลกนี้ไม่มีไม่มีไม่มีขอบเขตเรื่องการเลี้ยงดูและเรื่องการหาปัจจัยสีให้กับร่างกาย อยากได้เท่าไหร่ถ้ามีความสามารถหามาได้เอามาเลยอยากจะกินเท่าไหร่กินเลยบางคนกินวลาสี่ห้ามือห้าหกมือกินกันกินกันช่วงบางหนึ่งเดี๋ยวก็อยากกินนะไม่กินก็ดื่มนะหรือทั้งกินทั้งดื่มกินกันอยู่ตลอดเวลาตามความอยากทางธรรมนี้บอกว่าไม่ควรทําอย่างนี้ให้บริโภคตามความเหมาะสม ตางความต้องการของร่างกายเหมือนกับการบริโภคยา<ม>ยานี้เราไม่รับประทานแบบซีซั้ว<ม>ใช่ไหมไม่รับประทานแบบความอยากเพราะมันมีพิษมีภัย<ม>ทั้งๆถึงแม้จะมีคนถ้ามันรับประทานเกินปริมาณมันก็กลายเป็นพิษขึ้นมาได<ม>้คนที่กินยาเกินขนาดก็ต้องส่งโรงพยาบาล คนที่ค่าตัวตางก็เอายาเนี้ยมากินยาที่เป็นคุณประโยชน์นี้แต่พอกินเกินขนาดมันก็เลยทำให้ร่างกายตายได้อาหารก็แบบเดียวกันอาหารแ ก, กินเกินเกินขนาดมันก็ทำให้ร่างกายตายได้สมัยนี้ทางโลกเขาก็รู้จักความต้องการของร่างกายว่าต้องการอาหารเท่าไหร่เขามีสูตรเขียนไว้ให้น้าหนักอ่ ความสูงเท่านี้น้ำหนักควรจะเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ถ้ามากกว่านั้นก็ถือว่าเริ่มบริโภคมากเกินไป <Yeah. S 1> ควรที่จะหยุด <Yeah. S 1> ถ้าไม่หยุดเดี๋ยว <Yeah. S 1> เป็นปัญหาแน่นอนต่อร่างกาย <Yeah. S 1> ทางโลกก็มีความรู้ทางนี้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้เน้นสอนกันบอกกันเท่านคนส่วนใหญ่จะไม่รู้เกณฑ์ของน้ำหนักของตน ว่าควรจะอยู่ในในระดับใดเพราะไม่ไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนกันอันนี้ต้องศึกษาต้องหาความรู้กันเอาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่างกันทางโลกกับทางธรรมเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทางธรรมนี้ให้รู้จักประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ให้พอกับความต้องการพอกับหน้าที่ทําหน้าที่ของปัจจัยสี่ปัจจัยอาหารมีหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายอย่าไปให้อาหารมาทําร้ายร่างกาย เ, ออเสื้อผ้าก็มีไว้ปกปิดร่างกายออมีไว้ปกป้องร่างกายออไม่ได้มาเสริมสวยความวิเศษของร่างกายแต่อย่างใดออแต่ทางโลก ที่มีความหลงมักจะเอาเสื้อผ้านี่มาเป็นตัวเสริมความวิเศษของร่างกายถ้าได้ใส่ถ้าได้ใส่เสื้อผ้าชุดแบรนด์เนมแล้วรู้สึกว่ามีตนเองมีคุณค่าขึ้นมาเวลาไปไหนมาไหนรู้สึกคนจะให้การต้อนรับอย่างดีถ้าเห็นใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือขับรถแบรนด์เนมนี้ ถ้าขับรถโนนเอนี่เวลาไปลงแรมไม่มีใครเปิดประตูรับแต่ถ้าขับรถแบรนด์เนมมานี่พอจอดปุ๊บคนจะรีบมาเปิดประตูต้อนรับทันทีนี่ไปหลงคุณค่านิยมกันไปเพรารักการสรรเสริญนี่ก็เป็นยาเสพติดตัวหนึ่งคือความสรรเสริญติดกับการสรรเสริญ ยิ่งทำให้ต้องเสริมความสวยความงามความพิเศษของร่างกายโดยการใช้ของแพงๆของที่หรูหราของที่คนไม่มีสตางค์หาซื้อไม่ได้เพราะเป็นการอวดความรวยเพื่อคนอื่นเมื่อก็เห็นว่าเรารวยเขาก็อยากที่จะรับใช้เพราะว่ารับใช้คนรวยแล้วมันมีโอกาสจะได้เงินถ้าไปรับใช้คนจนนี้ มันจะไม่ได้เงินและอาจจะเสียเงินอันนี้ก็คือเรื่องของอทำไมทางโลกจึงต้องหลงไหลกับเรื่องของปัจจัยสี่แบบไม่มีขอบไม่มีเขตกันต้องหาบ้านราคาแพงๆอยู่กันหาเสื้อผ้าราคาแพงๆใสกันหาโรงพยาบาลหาหมอราคาแพงพรักษาโรค ก, กัน อาหารราคาแพงแพงรับประทานกันผลมันได้เท่ากันคือผลเชิงร่างกายอยู่อย่างสุขสบายเหมือนกันกินอาหารราคาแพงแพงกับกินอาหารราคาถูกมันก็อิ่มเหมือนกันใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมกันโนเนมมันก็เป็นเสื้อเหมือนกันกางเกงเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันรักษาโรคสามสิบบาทรักษาทุกโรค อยารักษาโรงพยาบาลสามแสน 300, ต่อโลกมันก็หายเหมือนกันถ้ามันจะหายมันก็หายเหมือนกันถ้ามันไม่หายมันก็ไม่หายเหมือนกันถ้ามันจะตายมันก็ตายเหมือนกันโรงแรมที่รักษาเป็นแสนเป็นล้านก็มีคนตายเยอะแยะไปโรงแรมที่รักษาสามโรงพยาบาลที่รักษาสามสิบบาททุกโลกมันก็มีตายมีเป็นเหมือนกันนั่นมันไม่ได้อยู่ที่ราคา ราคานี้เป็นของที่มนุษย์เราสมมุติขึ้นมาเองใช่ไหมของแบรนด์เนมนี่บางทีมันก็มาผลิตในเมืองไทยนี่แหละแล้วลมันก็เอาแบรนด์ติดเข้าไปแล้วไปขายต่างประเทศคนไทยก็ไปบินไปซื้อที่ต่างประเทศกลับมา <c oughs> <c oughs> ทาั้งที่แถวสนามหลวงเจอจตุจักรก็มีขายเยอะแยะไป แต่ว่ามันเป็นแ บ, บนรนในปลอมก็เลยไม่ชอบถือว่าซื้อของปลอมของเกอทาั้นความจริงมันก็เสื้อผ้าผลิตมาจากโรงงานเดียวกันนั่นแหละ mm hmm. กระเป๋าก็มาจากโรงงานเดียวกันรองเท้าก็จากโรงงานเดียวกัน mm hmm. แต่ถ้าบินไปซื้อจากต่างประเทศแล้วนี่มันเป็นของจิงของแท้ถ้าซื้อแถวแถวจตุจักรนี่มันเป็นของเกของปลอมไปตอนนั้นเอง mm hmm. นี่คือความไม่ฉลาดความหลงของของคนที่ไม่มีธรรมะจึงทําให้ต้องวุ่นวายกับการดินน้นรนหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจ ม, มูนกนิ่งกายซึ่งเป็นยาเสพติดทั้งนั้นลาบก็เป็นยาเสพติยดยศก็เป็นยาเสพติดสรรเสริญก็เป็นยาเสพติดรูปเสียงกลิ่นรสผลพระก็เป็นยาเสพติด พอเวลาใดไม่ได้เสกในเวลานั้นเครียดขึ้นมาทันทีหลดเหยียดนำคาญใจหรือเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาทันทีจำเป็นจะต้องเสกต้องหามาเสกให้ได้ถึงจะรู้สึกหายเ่บางคนหาไม่ได้ก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวสูญเสียลาบยศไปเคยมีเงินมีทางเคยมีตาแหน่ง มีหน้ามีตามีเกียรติ mm. พอไม่มีแล้วบางทีก็อยู่ไม่ได้ mm. ไม่มีความสุข mm. มีแต่ความทุกข์มีแต่ความหมดเกรียวใจ mm. ก็เลยฆ่าตัวตายดีกว่า mm. นี่แหละคือ mm. เรื่องของทางโลกที่ไม่ได้สอนเก mm. ี่ยวกับเรื่องของจิตใจไม่ได้สอนว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจ ไม่ได้สอนว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจก็เลยไปทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเพราะความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่เป็นพิษมันก็ให้ความสุขในเบื้องต้นเหมือนยาเสพติด<ม>เวลาเสพมันก็สุขแต่พอมันติดแล้วมันทุกข์เวลามันไม่ได้เสพมันทุกข์มันต้องเสพอยู่เรื่อยๆ<ม>พอเสพไปมากๆมันก็เลย ทำลายตนตัเองอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามาศึกษาทางธรรมแล้วเราจะได้เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจด้วยไม่เฉพาะไม่เฉพาะแต่เรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจแม้เรื่องของร่างกายก็ต้องรู้ประมาณว่าถ้าทามากเกินไปมันก็เป็นอันตรายทั้งกับร่างกายและกับจิตใจ จิตใจก็ต้องเครียดกับการหาของแพงๆมาใช้อันนี้ก็เป็นปัญหากิดที่จิตใจเพราะความไม่รู้ความความถูกต้องของการเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงกเลี้ยงร่างกายแบบพอให้มันอยู่ได้ก็พอไม่ต้องดิ้นรนให้เหนื่อยยากเพราะผลเท่ากันน่างกายแข็งแรงเหมือนกันน่างกายอยู่ได้เหมือนกัน จะอยู่ด้วยการใช้เงินพันหรือจะอยู่ด้วยการใช้เงินแสนมันก็อยู่ได้เหมือนกันถ้าใช้เงินแสนมันก็ต้องเหนื่อยต้องดิ้นลนหากันมากถ้าใช้เงินพันมันก็ไม่ต้องดินลนกันมากอยู่กันง่ายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พระอยู่กันแบบวันละบาทใช้อาหารแค่วันละบาทบินบาทหนึ่งบาท พออาหารได้เต็มบาทก็ให้กับวัานได้พอแล้วอย่าโลภมากเหนื่อยไปเปล่ า, าแบงอาหารกลับมาก็ไม่ได้กินในที่สุดก็ต้องเอาไปแจกคนอื่นเอาไปให้คนอื่นเพอพระุสเจ้าห้ามสะสมอาหารพระนี้บินตบาสได้มาเท่าไหร่พอฉันอิ่มแล้วไม่ให้เก็บไว้อาหารสําหรับวันนั้นก็ต้องสละไปไว้ไปหาวันใหม่ตรงนี้น เพื่อป้องกันความเกลียดข้ามด้วยความเกลียดข้านี้ก็เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเพราะมันจะทําให้งอมืองอเท้าไม่ขวนขวายแล้วมันจะดูแลรักษาตัวเองไม่ได้ถ้ามันเกลียดข้ามแต่มนุษย์เราชอบความเกลียดข้ามบางทีจึงชอบสะสมกันหาอะไรไว้เยอะๆเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหาบ่อยหามาแล้เก็บไว้ทีนี้จะได้เอามาใช้เอามากินเอามาดื่น ไม่ต้องหาทุกวันแต่พระพุทธเจ้าเห็นโทษของความเกียจค้านโดยเฉพาะกัดพระเพราะพระนี้จะต้องสร้างธรรมที่สูงที่ยากที่จะต้องใช้ความเพียพรพยายามมากต้องใช้ความกยานหมัดเพียรมากถึงจะสร้างธรรมะโอสุดระดับระดับสูงสุดได้จึงต้องมีความเพียรมาก จึงไม่จึงไม่ให้ขี้เกียจเหตุสิ่งใดที่ทําให้ภาคขี้เกียจท่านจะพยายามาห้ามไม่ให้ทำเช่นให้สอนให้บินตาบา ท, ทุกวัน เ, เพื่อจะได้ไม่ไม่เกียดครับถ้าอนุ ญ, ญาตให้สะสมอาหารได้เดี๋ววันนี้หารอาหารมาได้โ อ, อยู่ได้เจ็ดวันก็งดอีกอเจ็ดวันค่อยไปบินตบาสใหม่ แล้วก็ไม่ทําอะไรนั่งๆ่งนอนๆอนเพราะความเกียดแค้นมันก็จะทําให้ไม่ขยันที่จะศึกษาไม่ขยันที่จะปฏิบัติเมื่อถ้าไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวธรรมโอสถยาที่จะมารักษาใจให้หายจากความทุกข์ความวุว่นวายใจต่างๆก็จะไม่มีไม่เกิดขึ้นมาจึงต้องเน้นเรื่องของความขยันหมั่นเพียร แล้วก็ความมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นไม่ต้องแพงถูกก็ได้แพงก็ได้แล้วแต่ตามมีตามเกิดก็คือสันโดษเอามาพอให้พอกับความต้องการของร่างกายอาหารก็วันละมื้อก็พอสำหรับพระเสื้อผ้าก็แค่หนึ่ง ห น, หนึ่งชุดก็พอผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเป็นสามผืนเรียกว่าผ้าไตรไตรแปลว่าสามอันนี้คือเครื่องนุ่งห่มของพระที่พระ เ, เจ้าทรงอนุญาตให้พระมีไม่ให้มีมากกว่านั้นแต่ก็ไม่ห้ามเพียงแต่แนะนำว่ามีมากมันก็จะยุ่งจะวุ่นวาย จะต้องดูแลรักษาจะต้องมาเสียเวลากับการดูแลสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องดูแลแทนที่จะเ อ, เอาเวลามาดูแลจิตใจมาสร้างธรรมโอสถคือมาสร้างความสงบให้กับจิตใจก็ไปวุ่นวายกับเรื่องของปัจจัยสี่ถ้าไม่ถ้าไม่รู้จักประมาณเดี๋ยวก็จะวุ่นวายกับการสร้างกุตติเดี๋ยวก็วุ่นวายกับการเย็บทีวอน เย็บเสร็จแล้วาใส่แล้วเบื่ออ่ะอยากจะได้ใหม่เย็บใหม่อะไรทำนองนี้มันก็จะทำให้ไม่มีเวลามาดูแลจิตใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงพยายามที่จ ะ, ะตัดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อพระต่อการปฏิบัติต่อการสร้างธรรมโอสน์เนี่ย แล้วก็สงสอนส่งให้ใช้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการสร้างธรรมโอสถเช่นข้อทุดงคขวัตต่างๆธุดงคขวัตก็เป็นข้อปฏิบัติพิเศษไม่บังคับพระทุกรูกพระทุกลูกที่บวชนี้บังคับเพียงแต่ให้รักษาศีลคือข้อห้ามต่างๆที่เรียกว่าปฏิโมกศีลสองอยิบเจ็ดนี่ มีเป็นกฎระเบียบเสีอส่วนใหญ่ตัวศีลจริงๆก็เป็นเหมือนกับศีลห้านี่แหละศีลจริงๆก็มีสี่ข้อของพระคือหนึ่งการเสมเมถุนก็คือการร่วมหลับนอน<ม>กับผาฏิกับกับศีกา<ม>กับสุภาพสตี<ม>สองการฆ่าฆ่ามนุษย์<ม>สามการลักทรัพย์ และสี่การโกหกหลอกลวงผู้อื่นว่าตนเองเป็นผู้วิเศษได้บรรลุทำขั้นนั้นขั้นนี้อันนี้ถ้าทำข้อใดข้อหนึ่งนี้ให้ถือว่าขาดจากการเป็นพระเลยไม่ให้เป็นพระให้ลาสิกขาไปส่วนข้ออื่นๆนี้ก็เป็นกฎระเบียบเรื่องการกระทาที่ไม่เหมาะสมต่างๆที่คนเห็นแล้ว ตำหนิติเตียนไปเกี่ยวพาราสีสีกาอย่างนี้หรือไปเป็นสื่อชักให้คนนั้นกับคนนี้มารู้จักกันมาแต่งงานกันทำกิจที่ไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์กิจของสงฆ์ก็คือการการศึกษาการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ค่อยทำกันชอบไปทำอะไรต่างๆนอกเรื่องนอกราวกันเยอะแยะไปหมดสมัยนี้ ดูหมอดูดวงทำน้ำมนต์ทำเลขทำยันทำตะกุด <c oughs> ทำอะไรต่างๆล่านี้ถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็คงจะต้องห้ามกิจกรรมเหล่านี้ไปศีลจากสองร้อยี่เจ็ดก็จะกลายเป็นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแน่ๆเพราะมันมีกิจกรรมนอกาศาสนาเยอะแยะไปหมด ที่ไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์นะนีพระพุทธเจ้าก็ห้ามได้แค่ตอนที่มีชีวิตอยู่นะก็ห้ามถึงสองรอยิบเจ็ดข้อตอนเริ่มต้นนี้ไม่มีแม้แต่ข้อเดียวเชื่อไหมาศาสนาพุทธนี่ไม่มีข้อห้ามแม้แต่ข้อเดียวสําหรับพระภิกษุก็รยุคแรกๆนี้พระภิกษุเป็นพาาารนะอรหันต์ท่านั้นเป็นผู้ที่สงบเป็นผู้ที่ไม่ทําอะไรให้เกิดความเสียหายให้กับตนเองและกับผู้ แต่ต่อมามีพวกที่ศรัทธาแต่ยังไม่เคยบวชหรือยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์มาบวชกันเป็นชาวบ้านเป็นบุตุชนธรรมดาก็เลยไม่รู้ว่าพระอาหารหันต์ท่านอยู่กันอย่างไรพอมาบวชแล้วก็ยังทําตามภาษาของชาวบ้านอยู่ก็เลยใบนอนหลับนอนกับศีกกา พอทราบข่าวพระพุทธเจ้าทราบข่าวก็เลยต้องห้ามไปฆ่ามนุษย์ก็ต้องห้ามไปรักทรัพย์ของผู้ก็ต้องห้ามไปอวดอุดทะเลอวดว่าตนเองวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้พอรู้ก็ต้องห้ามต้องห้ามเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการกระทําผิดของพระภิกษุถึงเกิดข้อห้ามขึ้นมาศาสนานี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่มานั่งแล้วก็มานั่งคิดว่าจะห้ามอะไรดีไม่ใช่นะ ข้อห้ามต่างๆนี้เกิดจากการกระทําผิดของพระภิกษุมีเหตุทําให้พระพุทธเจ้าต้องมาสั่งห้ามถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ไม่สั่งห้ามยุคแรงๆไม่มีเหตุเป็นภาอาหารทั้งนั้นภาอาหารนี้ท่านไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการราบยศสรรเสริญไม่ต้องการราบความสุขทางตาหูจมูกมือกายถ้านั่งเฉยๆท่านก็มีความสุขแล้วแล้วท่านจะไปทําอะไรให้เสียหายให้กับใครทําไม การกระทำของพระหลานจึงไม่เสียหายพระพุทธเจ้าไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหายให้กับใครยุคแรกๆเลยไม่มีศีลไม่มีข้อห้ามของพระต่อมาพอชาวบ้านมีศรัทธาขอบวชนี่นี้เริ่มมีปัญหาขึ้นมาพราชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นพระอยู่กันอย่างไงบางคนก็ไปร่วมหลับนอนกับอดีตภรรยาพ่อพ่อขอร้องเป็นเศรษฐีแต่ไม่มีไม่มีหลานไม่มีคนรับมรดก ก็เลยขอร้องให้ลูกไปนอนกับอดีตภรรยาลูกก็คิดว่าเป็นภรยนนนภรยากันกลายเป็นอดีตเป็นภรรยากันแล้วก็หลับนอนเพื่อผลิตหลานให้ให้ปูย่ย่าตายายได้มีถอยให้ให้มรดกยกมรดกให้ก็เลยทําหน้าที่ที่ว่าเป็นทําไปแล้วก็มีความรู้สึกไม่สบายใจก็ไปกราบทูลถามหลวพ่อตเจ้าหลวงพ่อเจ้าบอกทําไม่ได้นะบวชทำอย่างนี้แล้วก็จบ ไม่ต้องเดี๋ยวไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันมีเวลาจะไปเยี่ยมแต่ศีกาอยู่เรื่อยๆอ <laughs> นี่ก็คือศีลสองร้อยยี่สเจ็ดที่ใครมาบวชก็ต้องรักษาบังคับอันนี้ต้องบังคับเป็นคําสั่งพระพุทธเจ้านี่มีมีคําสั่งและคําสอนคําสอนนี่ไม่บังคับเช่นสอนให้ปฏิบัติเทวดงฆวัตสิบสามข้อนี้เป็นคําสอนเป็น เป็นข้อเสนอแนะแนะนำออแต่ไม่ห้ามไม่ได้สั่งให้ทำเออช่นการบินถบาศเป็นวันนี้ก็ไม่ได้บังคับออควรทำออทำแล้วจะดีออก็เลยมีพระทำบ้างไม่ทำบ้างฉันในบาทก็ดีก็ออทำให้อยู่แบบสันโดษมากน้อย อ, อ, อยู่แบบไม่จู้จี้จุกจิก อ, อ, อยู่แบบไม่วุ่นกินแบบไม่วุ่นวาย อาหารชนิดไหนเอามาก็เอามาคุกมารวมกันในบาปอาหารดีอาหารไม่ดีพอมันคุกกันในบาปมันก็กลายเป็นอาหารอันเดียวแบบเดียวกันมันก็กินเนี่ยหา ก, กินแบบนั้นแล้วต่อไปมันก็สบายไม่ต้องมากังวลว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรกินถ้ากินแบบความอยากพอวันนี้ได้กินอาหารที่ถูกปากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฝันถึงอาหารนั้นะอยากจะได้กินอาหารนั้นอีกพอไม่ได้กินก็ ไม่สบายใจงดหงิดใจขึ้นมาอันนี้คือธุดงขวัดที่พระพุทธเจ้าสอนสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะผลิตยาธรรมโอสถคือความสงบให้เร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นต้องถือทุดงขวัตเนี่ยมีอยู่สิบสามข้อตัวอย่างก็คือเบนทบาทเบนทบาทนี้ก็เพื่อเสริมความเพียรเสริมความขยัน ถ้าไม่บินฑบาดบางทีสองโมงเช้ายังไม่ตื่นนอนสบาย <Okay. S 1> เพราะมีอาหารตุนเอาไว้เอัีนี้ตุนอาหารไม่ได้ <Okay. S 1> ก็มีญาติโยมมาเลี้ยงแทนอันนี้ญาติโยมก็ชอบเลี้ยงเพนเพราะญาติโยมก็ไม่ชอบตื่นสายพระก็ไม่ชอบตื่น เ, เพราะญาติโยมก็ไม่ชอบตื่นเช้าพระก็ไม่ชอบตื่นเช้าก็เลยอยู่กันไดน้มาเลี้ยงเพน ก, กันแต่พระที่ถือทุปดงก็ว่าต้องออกบินตาบาดนี้ ก็ไม่รับไม่ฉันเพนกันฉันมือเดียวฉันมือเดียวก็เป็นทโดงขวัดเหมือนกันญาติโยมจะเลี้ยงพระขยันพระทวดงนี้เลี้ยงยากเพราะพระทวดงนี้ฉันแต่เช้าญาติโยมก็ไม่ไม่พ้อเพราะพระนี่เจ็ดโมงก็กลับมาจากบินบาบฉันกันนล้ญาติโยมถ้าจะเลี้ยงนี่ต้องตื่นตีสี่ก็ยังมีญาติโยมบางคนอยากจะเลี้ยงพระ ก็อุตส่าห์ขนข้าว ข, ขนของมาแต่เช้ามืดมาที่วัดมาทำแต่ทาที่วัดมาให้ทันกับเวลาพระกลับจากบินทบาลแต่ก็มีน้อยญาติโยมส่วนใหญ่นี้ชอบเลี้ยงเพลมากกว่าเพราะญาติโยมก็ไม่ต้องตื่นเช้าพระก็ชอบพระก็ไม่ต้องตื่นเช้าคือพระที่ชอบความสุขความสบายทางร่างกายแต่ไม่ใช่เป็นพระที่ ต้องการที่จะมาผลิตมาสร้างธรรมโอสถมาบำบัดกำจัดความอยากต่างๆความติดในยาเสพติดคนที่มาบวชที่ต้องการที่จะมาบำบัดยาเสพติดที่ตนติดก็คือราบยศสารเสลดเสียงกิน่นลดผทธภาจึงจาเป็นที่จะต้องอทำตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าคือถือทุดงขวัดกัน พระสายสายวัดป่าเนี่ยท่านจะถือถุดองทวัดเป็นเป็นหลักไม่ทั้ไม่ครบทั้งสิบสามข้อมีข้อที่หนึ่งก็บินทบาทข้อที่สองก็ฉันมื้อเดียวข้อที่สามก็ฉันในบาทข้อที่สี่บางบางเวลาก็บางช่วงก็ไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินทบาทแล้วแค่ในช่วงเข้าพรรษานี้ ที่วัดป่าบ้านตาท่านจะถือข้อนี้กันใบบิณฑบาตกลับมาพอเข้าเขตวัดแล้วญาติโยมจะเอาอาหารมาถวายต่อก็ไม่รับญาติโยมเลยต้องไปดักอยู่ที่หน้าประตูวัดยาวเป็นกิโล mm hmm. พราะถ้าเข้ามาวัดแล้วก็จะไม่รับ mm hmm. ก็เลยต้องไปถวายที่หน้าวัด mm hmm. แล้วก็ฉันมือเดียวฉันในบาตนี่คือเกี่ยวกับเรื่องฉัน เรื่องผ้าก็ใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลนี่คือผ้าที่เก็บมาจากผ้าห่อศพผ้าในป่าชาสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี้ผ้าจะไปหาผ้าในป่าชากันผ้าที่เขาใช้ห่อศพกันเพราะสมัยยุคแรกๆไม่มีใครถวายผ้าต้องหาผ้ากันเอาเองมีแต่คนใส่บาตรอย่างเดียวยาก็ไม่มีใครถวายต้องดื่มยาดอมน้ามูดดื่มน้าปัสสาวะ ก็ต้องไปหาผ้าบางสกุลผ้าป่าที่เรียกผ้าป่าช้าเนี่ยป่าก็ป่าช้านี่แล้วก็เอามาซักเอามาย้อมเอามาตัดเอามาเยยบอีกทีนึงเป็นผ้าขึ้นมาคือแสดงว่าต้องการให้พระใช้ผ้าที่ไม่มีคุณค่าราคาเพราะจะได้ดูแลรักษาง่ายไม่มีใครมาขโมยถ้าเป็นผ้าแพรผ้าไหมนี่ เดี๋ยวขโมยมันเอาไปใช้เป็นผ้าปูที่นอนได้เรือเอาไปขายเอาไปตัดเอาไปเย็ยบทําำเสื้อผ้าชนิดอื่นได้ <Yeah. S 1> ก็เลยสอนให้พระใช้ผ้าบางสกุลเอแล้วก็ให้ใช้ผ้าไต่ให้ใช้เพียงหนึ่งสำหรับหนึ่งชุดก็พอ <Yeah. S 1> ไม่ต้องมีหลายชุด <Yeah. S 1> เอาชุดเดียว <Yeah. S 1> มีน้อยแล้วมันสบายดูแลางา่า <Yeah. S 1> ไม่ต้องซักมาก yeah. มีหลายชุดก็ต้องซักหลายชุดหลายมันไปชุดเดียวนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องผ้าส่วนที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่ที่เงียบอยู่ที่ห่างไกลหรือถ้าอยู่วัดก็อยู่ตามที่เขาจัดที่อยู่ให้อย่าไปเลือกที่อยู่อยากจะได้หลังนั้นอยู่หลังนี้แล้วแต่เขาจะจัดให้เขาจัดให้หลังไหนก็อยู่ไป นี่คือข้อแนะนำที่เป็นธรรมะที่จะมาช่วยเสริมความเพียรเสริมความปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีพระบุทรเจ้าเป็นผู้ทรงรับประกาศเองถ้าใครปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแนะนำได้ทรงสั่งทรงสอนได้ ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการบรรลุมรรคผลนิพพานสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่คือเรื่องของความรู้ทางธรรมที่ไม่เหมือนกับความรู้ทางโลกถ้าไปเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องที่เราได้ยินกันในวันนี้ เรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่ด้วยความพอประมาณพอให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายไม่ให้บริโภคตามความต้องการของจิตใจส่วนจิตใจก็ต้องมาบำบัดโรคที่ติดยาเสพติดโรคที่ทําให้จิตใจสิ่งที่ยาเสพติดที่จิตใจติดอยู่ก็คือราบย ศ, ศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นลดผลพทธะ ที่จะต้องบําบัดด้วยการบาเพ็ญทานศีลภาวนาทำจิตถ้ามีเงินทองก็อย่าเอาเงินใช้ตามความอยากเอาเงินไปทาบุญการทำบุญนี้เป็นเหมือนให้อาหารให้ยากับจิตใจให้ความอิ่มความพอกับจิตใจแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากมันจะทำให้จิตใจหิวโหวยไม่พอ พอไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกพอซื้ออะไรมาแล้วก็อยากจะซื้ออีกแต่ถ้าเอาเงินที่จะไปซื้อของตามความอยากนี้เอามาทาบุญนะความอยากจะซื้อของก็หายไปความอยากจะไปเที่ยวก็จะหายไปอยู่เฉยๆก็มีความสุขในความอีกมีความสุขจากการได้ทําบุญได้ทําทานได้ช่วยเหลือพึ่นมนุษย์การให ความสุขแก่ผู้อื่นมันจะทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาในใจของเรานี่คือผลจากการทำบุญไม่ต้องไปขอไม่ต้องอธิษฐานขอเวลาทำบุญไม่ต้องมาขอว่าขอให้ได้นูน่นได้นี่ขอไม่ได้เพราะของที่ได้มันไม่ต้องขอของที่ขอมันไม่ได้ไการทำบุญนี้การให้ทานสิ่งที่เราได้ก็คือความสุขใจความอิ่มใจ ลดความอยากที่จะใช้เงินไปตามความอยากต่างๆได้นี่คือผลเป็นการบำบัดรักษาโรคที่ติดยาเสพติดโรคที่ชอบเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่อันนี้ถือว่าเป็นยาเสพติดเราก็ต้องเอาเอาเงินนี้มาทำบุญทำทานเราจะทำให้เราสามารถบำบัดโรค ที่ติดยาเสพติดที่เกี่ยวกับการใช้เงินได้ถ้าเราไม่มีเงินก็แสดงว่าเราก็ไม่มีเงินซื้อยาเสพติดก็ไม่ต้องทำบุญก็ได้ถ้าไม่มีเงินจะทำก็ไม่ต้องทำอันนี้สำหรับคนที่มีเงินน่าจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดก็เอามาเอามาซื้ออาหารให้กับจิต ด, ดีกว่าอาหารก็คือการทำบุญทําทานนี่แล้วก็ให้เรารักษาศีลอย่าทาบาปทาบาปมันก็จะทาให้ใจเรา เครียดทำให้ใจเราทุกข์แล้วเราจะไม่มีเวลาที่จะม า, าปฏิบัติจเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อทําให้ใจสงบเพื่อสร้างยาวิเศษคื อ, อธรรมโอสถคือความสงบถ้าเรามีสีนสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถสร้างความสงบให้กับใจไนดะ้พอเรามีความสงบแล้วเราก็หยุดความอยากต่างๆได้ หยุดความอยากได้ลาบยศสรเสริญความอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะได้ความอยากอะไรต่างๆแม้แต่ความอยากกับร่างกายก็หยุดได้ตอนนี้เรายังมีความอยากในร่างกายอยู่อยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็เลยทําให้เราต้องเครียดต้องทุกข์กันเพราะเรา ไม่ได้ตามความอยากอยากจะเสกความ <t ất> to to ไม่แก่พอไม่ได้ความไม่แก่ก็ทุกข์กันอยากจะเสกความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยต้องทุกข์กันอยากจะเสกความไม่ตายพอต้องตายก็ทุกข์กันแต่ถ้าเรามีธรรมโอสถมีความสงบเราจะยับยั้งความอยากเหล่านี้ได้เราจะไม่ต้องเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายนะ แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปได้เพราะเมื่อเรามีความสงบมีความสุขมีความอิ่มแล้วเราไม่มีความอยากในลาบยศสรสเสรินไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดม่ไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์ตามมาไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายตามมา ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพากจากกันตามมาเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายท่านกาลังอยู่กันในตอนนี้ท่านไม่ได้หายไปไหนท่านยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่ติดต่อกับเราแล้วท่านไม่มีร่างกายมาติดต่อกับพวกเราเท่านั้นเองแต่ท่านก็ยังอยู่เหมือนตอนที่ท่านมีร่างกายมีความสุขยิ่งกว่าตอนที่มีร่างกาย าไม่ต้องมาดูแลเลี่ยงดูร่างกายอยู่กับความสงบไปตลอดนี่คือความรู้ทางธรรมที่เหนือกว่าความรู้ทางโลกที่พวกเราจะได้การจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอขอให้พยายามทำไปเรื่อยจนกว่าจะสามารถนำเอาไปปฏิบัติและสร้างความสงบให้แก่จิตใจ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรติสากลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเมจาต สัพเพปุเรณตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขิธีขายุโกภวะ อาพิวาธนสีลิตะนิจงังวุธาปจายโนจตารโธมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามต่อปัญหาใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขอขออนุ ญ, ญาตอย่าถามเพราะจะไม่ตอบอยากจะถามต้องถามช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็ให้เขียนใส่กระดาษเข้ามาแล้วจะมีคนอ่านให้วันนีเ้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยแปดสิบสามหนึ่งร้อยสามสิบสี่ วิทยุออนไลน์สามสิบสี่รับฟังข้างบนนี้เก้าสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดเป็นหกร้อยสี่สิบสองครับถ้าอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาแล้วจะส่งใหม่ไปให้ถ้ายัางไม่มีก็เอาทางบ้านที่ส่งคำถามเข้ามาก่อนถ า, ถามได้คำถามจากคุณนุชา กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเราคิดพิจารณาตามธรรมะถึงเข้าใจธรรมะหรือบริกรรมพุทโธแล้วจะเข้าใจธรรมะครับออถ้าต้องการความเข้าใจต้องใช้ความคิดคิดเหตุคิดผลทําอย่างนี้แล้วจะเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่คือความคิดทําบาปแล้วจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะได้รู้ว่า อ, อ๋อ ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะได้ไม่ทำเพราะเราไม่อยากจะได้ความทุกข์อันนี้เรียกว่าปัญญาต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลปัญญาคือเหตุผลสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้มันเป็นเหตุเป็นผลมันไม่ได้เป็นเหตุอย่างเดียวถ้ามันเป็นเหตุแล้วเดี๋ยวมันต้องมีผลตามมาเราต้องรู้เหตุเมื่อเรารู้เหตุเราก็จะรู้ว่าเหตุนี้จะทาให้เกิดอะไรขึ้นมาถ้าเหตุ ทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาเราก็ทํำมันอย่างชาวนาชาวไร่ก็ว่าปลูกพืชปลูกผักแล้วจะได้ผลผลไม้ได้ข้าวเขาก็เลยขยนันปลูกพืชปลูกผักกันพล้วก็เห็นเหตุว่า อ, อ๋อเหตุ น, นี้ทําให้เกิดอย่างนั้นขึ้นมาถ้าต้องการอย่างนั้นก็ต้องทําอย่างนี้อันนี้คือไม่ใช่ถ้าไม่รู้เหตุก็คืออยากจะได้ข้าวก็คิดว่าจุดทูปเทียมสามดอกแล้วก็ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วเดี๋ยวข้าวก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นไปเหมือนกันสิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจริญทางจิตใจหรือทางร่างกายมันก็มีเหตุของมันแต่เหตุไม่ได้เกิดจากการที่ไปจุดธูปเทียนขอจากพระในโบสถ์บางคนอยากได้ลูกแล้วก็มีแต่งงานกันมานานเท่าไหร่ก็ไม่มีสักทีก็เลยต้องไปขอพระ พระไม่ไดแต่งงานพ้าจะรู้จักวิธีผลิตลูกได้ยังไงออแายก็ไปขอเพรามีคนแนะนําว่าไปขอเราได้เคยมีกองคนไปขอเราได้จริงมันได้เพราะจังหวะมันจะได้อยู่แล้วขอหรือไม่ขอมันก็ได้มันก็เลยไปจับแพะชนแก่กันอันนี้คือไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลคิดไม่รอบคอบความคิดมันจะต้องรอบคอบกว่านี้ถ้ามันถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลมันต้องร้อยทั้งร้อย ถ้ามันเป็นรอยละสิบนี้รอยละหนึ่งนี้มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเหตุบังเอิญเอท่านั้นเองดงนั้นคนจะคิดด้วยปัญญานี้ต้องฉลาดรอบครอพอสมควรส่วนการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นการหยุดความคิดหยุดความคิดเพื่อให้จิตสงบให้จิตมีความสุขถึงแม้ไม่ฉลาดเพียงแต่พุทโธนี้ก็ยังดีกว่าคนที่คิดเป็น คิดเป็นแนละ้คิดไปในทางกิเลสกับทำให้ใจทุกข์เปล่าๆสูกอย่าคิดดีกว่าคิดไม่เป็นดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปถึงแม้จะไม่ฉลาดแต่ก็จะไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะจะมีความสุขใจอิ่มใจคำถามจากคุณเคสปกติมีสำนักที่ปฏิบัติประจับอยู่แล้วแต่ด้วยความใฝ่รู้สแสวงหา ได้ฟังธรรมจากพระองค์อื่นเกิดศรัทธาทั้งใน y o u t u ูบบ้างจึงไปหาครูบาอาจารย์องค์อื่นเพิ่มบ้างซึ่งแต่และองค์จะสอนตามจริตวาสนาอุบายท่านก็ไม่เป็นปัญหาอะไรดังนั้นการมีครูอาจารย์สองถึงสมองค์เป็นการผิดไหมคะจะเป็นการไม่ลงใจกับครูอาจารย์องค์ที่เราปฏิบัติอยู่ด้วยหรือไม่ หรือจะต้องเรียนทำให้จบจากครูอาจารย์เป็นองค์องค์ไปก็แล้วแต่เราถ้าเราคิดว่าองค์ที่เราเรียนอยู่ไม่สามารถให้ความรู้ครบเราก็อาจจะต้องไปหารูปอื่นมาเสริมเด็กนักเรียนสมัยนี้เรียนในห้องเรียนยังไม่พอใช่ั้ยออกจากห้องเรียนยังต้องไปเรียนกับติวเ ต, ตอร์ต่อเพราะบางทีครูอาจารย์ไม่มีเวลาอธิบายให้กระจ่างแจ้ง เลยต้องไปเรียนกับติลเตอร์ต่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นตาบใดถ้าเป็นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนี้แล้วเป็นความรู้ที่ไม่ขัดกันก็ใช้ได้แต่ถ้าไปหาความรู้ที่ขัดกันมันอาจจะเป็นปัญหาเพราะเราจะต้องเลือกแล้วว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องเราก็ต้องหาวิธีพิจารณาให้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด อย่างองคุลิมานก็มีอาจารย์มาก่อนเจอพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็หลอกเพราะกลัวว่าจะมาเป็นอาจารย์แทนอาจารย์กลัวจะใหญ่จะเก่งกว่าอาจารย์อาจารย์เลยหลอกให้ไปฆ่าคนองคุลิมานก็ด้วยความเคารพศรัทธาในครูอาจารย์อย่างสุดซึ่งก็ไม่ระแวงสงสัยท่านสอนให้ทำอะไรก็ทำตามนั้น ถึงแม้จะเป็นการทําบาป ก, ก็คิดว่าเป็นการทําตามครูบาอาจารย์สอนจนไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าฆ่าผิดตัวสิ่งที่ต้องฆ่าไม่ใช่คนสิ่งที่ต้องฆ่าก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่อสอนอย่างนี้ปั๊บองค์กุลิมานก็ได้อาจารย์องค์ใหม่ขึ้นมาหรือว่าอาจารย์องค์เก่านี่สอนผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีอาจารย์นี้ก็ ควรจะใช้หลักของเหตุผลเหมือนกันอาจารย์ที่เราเรียนอยู่ถ้าท่านพร้อมทุกอย่างท่านสามารถสอนให้เราครบคันทุกอย่างปัญหาอยู่ที่เราไม่สามารถปฏิบัติหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านปฏิบัติก็มีอยู่สองวิธีพยายามปรับตัวเราเองให้เข้าใจในการสอนของท่านและปรับตัวของเราให้ปฏิบัติตามท่านให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องไปหาอาจารย์รูปอื่นก็ได้ที่อาจจะสอนวิธีที่อาจจะถูกกับเราที่เราทําได้อันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครูบาอาจารย์ถ้าไม่หวงลูกศิษย์เพราะถ้าไม่ได้เงินอะไรได้ทองถ้าไม่ได้เก็บค่าข้าวเล่าเรียนอย่างลูกศิษย์เงินทองที่ลูกศิษย์ให้นั้นเป็นเรื่องของศรัทธาอยากจะทําบุญแล้วท่านก็ไม่ได้ใช้เงินเหล่านั้นถ้ามีพร้อมมีความพออย่างนั้นถ้าเป็นมหาเศรษฐีในใจอยู่แล้ว งเงินทองเศรษฐีทางเรื่า ง, งเงินทองเศรษฐีทางร่างกายไม่มีความหมายสําหรับท่านได้มาเท่าไหร่ท่านก็เอาไปทําประโยชน์ต่อต่อโลกต่อไปเท่านั้นเองงั้นก็ก็สามารถเลือกได้เปลี่ยนได้นแต่ถ้าเปลี่ยนเพราะเราไม่ใช่เปลี่ยนเพราะท่านเราเดี๋ยวไปหาองค์ไหนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหาองค์นี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นหาองค์นน้นก็ไม่ดีอย่างนี้อมีเรื่องไม่ดีของท่านอยู่เรื่อยๆ รงไหนก็ไม่ดีพอสำหรับเราสักทีอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้คำถามจากคุณสุริทิพย์การอ่านหนังสือธรรมะมากๆจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจและบรรลุธรรมนั้นโดยไม่ต้องเดินจงกรมและนั่งสมาธิได้ไหมคะ <c oughs> ได้ถ้ามีสมาธิแล้วก็ไม่ต้องคนที่ก็มีสมาธิแล้วเขาฟังธรรมปั๊บเขาก็บรรลุได้เลย แต่ถ้าไม่มีสมาธิทําที่จะฟังไม่มีกําลังเพราะทำทำนี้เป็นเหมือนมีดไมีดที่เราจะาไปใช้ฟันอะไรต่างๆแต่คนที่จะไปฟันไม่มีแรงนี้ต่อให้มีให้ได้มีดคมขนาดไหนคนผอมแห้งแรงน้อยก็ไม่สามารถที่จะเอามีดนั้นไปทําประโยชน์ได้ต้องทําให้คนนั้นหายจากผอมแห้งแรงน้อยกันให้เป็นคนที่มีกําลังวังชาแบบนักกล้ามอย่างนี้ นักมวยอย่างนี้พอก็มีกําลังแล้วพอก็ได้มีดเขาก็สามารถเอามีดนะั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จิตใจของคนที่ไม่มีสมาธิเป็นเหมือนคนคนติดยาเสพติดคนผอมแห้งแรงน้อยติดรูปเสียงกลิ่นรสเนยมันพวกติดยาเสพติดถ้ามาฝึกสมาธิได้ก็เหมือนคนที่มาเลิกยาเสพติดแล้วก็มารับประทานอาหารมาออกกําลังกายวิ่งมาลาทอนได้เนี่ย พอมีกำลังระดับวิ่งมาราธอนได้ที่นี้ก็พอได้อาวุธคือมีดมาก็สามารถเอาไปใช้ทําประโยชน์ได้อย่างเต็มที่คำถามจากคุณทะเลกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะลูกตั้งใจซื้อข้าวของเพื่อเลี้ยงดูคุณแม่โดยไม่ได้หวังเงินตอบแทนแต่คุณแม่ก็มักให้เงินกลับคืนมาเสมอ ถ้าลูกไม่รับเงินคุณแม่ก็จะบอกว่าไม่สบายใจลูกควรจะทําอย่างไรดีเจ้าคะเพราะลูกก็อยากเลี้ยงดูคุณแม่และลูกก็ไม่ได้ขัดสนอะไรคะ่ะก็แล้วก็ได้เลี้ยงดูแล้วไงการที่เราเอาข้าวของไปให้คุณแม่ก็เป็นการเลี้ยงดูท่านคุณแม่ก็อยากจะทําบุญกับเราคุณแม่ก็ให้เงินเราก็ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราก็ได้ทําบุญแม่ก็ได้ทําบุญ งั้นเวลาแม่ให้ก็รับเถิดมันถ้าเราไม่ได้ไปขอไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราไปขอนั่นแหละหรือไปเหมือนกับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันถ้าอย่างนี้ก็มันก็ไม่ใช่เป็นการเลี้ยงแม่การเลี้ยงแม่ก็คือเราซื้อข้าวซื้อของให้เงินให้ทองแม่โดยที่ไม่ต้องการรับอะไรตอบแทนจากแม่แต่แม่มีมากเกินไปแม่สงสารเรากลัวเราจะ อดอยากลำบากแม่ก็เลยให้เราบ้างอันนี้ก็เป็นการทําบุญให้กันและกันได้แม่ให้กลับมาเราก็รับไว้เราก็เก็บไว้ถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เราก็เก็บไว้เดี๋ยววันข้างหน้าแม่อาจจะต้องการการช่วยเหลือมากกว่า น, นี้ก็ได้เวลาท่านแก่ลงมากขึ้นมากขึ้นรายได้ของท่านอาจจะไม่มีมีแต่รายจ่ายก็อาจจะต้องพึ่งเราต่อไป เราก็เก็บเงินที่ท่านให้มาไว้สำหรับเลี้ยงดูท่านต่อไปก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะเอาไปใช้เอง<ม>ก็บอก ว, ว่านี่เป็นเงินของแม่เงินไว้สำหรับเลี้ยงดูแม่ไม่แตะต้อง<ม>อย่างนี้ก็ได้แล้วเราจะสบายใจสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือแม่และจะได้ช่วยเหลือไปนานๆเพราะถ้าอาศัยเงินของเราเองบางทีเราอาจจะตกงานขึ้นมาก็ได้ในอนานคตหรือเราอาจจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้ อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถีไรียได้ตอนนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถช่วยแม่ได้แต่ถ้าเรามีเงินที่แม่ให้มาเก็บไว้เราก็เอาเงินของแม่ที่ให้มานี้ก็ไปช่วยเหลือแม่ต่อได้การรับไว้เถิดไม่เสียหายการรับอะไรจากใครโดยที่เราไม่มีความโลภอยากได้นี้ไม่เป็นกิเลสการรับนี้เป็นการตอบสนองน้าใจของเขาทาให้เขามีความสุข เหมือนพราเนี่ยไปบินทบาทบางทีเต็มบาทแล้วก็ไม่อยากจะรับแต่ก็ต้องรับเพราะญาติโยมอยากจะทำบุญถึงต้องมีคนไปถ่ายบาทที่ไปถ่ายบาทนี้ไม่ใช่เพราะอยากจะได้อาหารได้ของกลับไปเยอะๆเอาไปก็ไม่ได้ใช้เองไม่ได้กินเองแต่เนื่องจากคนอยากจะใส่บาทกันอยากจะทำบุญกันเราก็ต้องตอบสนอตอบสนองน้ำใจฉลองศรัทธาขาก็ต้องรับมา รับมาแล้วเขาก็ไม่สนใจว่าเราจะไปทำอะไรเราจะกินหมดไม่หมดเราจะไปแจกไปให้ใครเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขามีความสุขจากการที่เขาได้ทำบุญดังนั้นเวลาใครทำบุญรับเถิดนะถ้าเราไม่มีความโลภความอยากได้ของจากเขาแล้วเขาให้มาเรารับไปเถิดแล้วเราจะไปทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีแต่อย่าไปทำต่อหน้าเขามันจะอาจจะทำให้เขาเสียความรู้สึก พอเขาให้ของมาปั๊บก็มอบให้คนไปเลยต่อหน้าอย่างนี้ก็อาจจะเสียใจน้อยใจถ้าเขาอยากจะให้เราเก็บไว้หรือใช้เองแล้วก็รับไว้แล้วเดี๋ยวพอรับหลังเขาเราก็ค่อยเอาไปให้ใครต่อก็ได้คำถามจากคุณแคทกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าเราถือศีลอุโบสถแต่ไม่ได้โกนผมอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้อยู่วัดแล้วตั้งใจปฏิบตัติอย่างนี้เราจะได้บุญและไปถึงนิพพานใหม่เจ้าคะ อ, อ๋อนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่ศีลอย่างเดียวนะมันอยู่ที่ศีลสมาธิและปัญญาต้องมีครบทั้งสามองค์ถึงจะไปถึงนิพพานได้แล้วต้องครบร้อยทั้งสามองค์ศีลก็ร้อยเอร์ซสมาธิก็ร้อยเปอร์เซตปัญญาก็ร้อยเปอร์เซนต ถึงจะสามารถไปถึงพระนิพพานได้ถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปแค่โสดาบันหรืออนาคามีมมกำลังของศีลสมาธิปัญญานี้ต้องมีครบร้อยศีล ส, สมาธิอาจจะครบร้อยแต่ถ้าปัญญาไม่ครบร้อยก็จะไปไม่ถึงนิพพานอาจจะไปถึงแค่โสดาบันก่อนแล้วค่อยเพิ่มปัญญาขึ้นไปเป็น แล้วก็ไปอนาคามีไปอรหันต์ต่อไปตามกำลังของปัญญาออแต่เริ่มต้นที่ศีลกับสมาธิต้องเต็มร้อยก่อนถึงจะไปสู่ขั้นอริยธรรมได้สู่โลกุตละธรรมได้คือระดับของพระโสดาบันขึ้นไปนี้จาเป็นจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิที่เต็มเต็มร้อยคืออัปปนาสมาธิแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ปัญญา ปัญญามีกี่เปอร์เซ็นต์มีมีน้อยก็ได้ขั้นที่ต่ำก่อนพอมีมากก็ขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงต่อไปเหมือนปริญญานี่ระดับปริญญาคําถามจากคุณพิมพรกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าหนูคิดที่จะทําโรงทานแต่มีเพื่อนเขาเคยพูดไว้ว่าถ้าจะทําโรงทานเมื่อไหร่ ก็ให <S an> ้บอกบุญเขาด้วยเขาอยากจะร่วมบุญด้วยค่ะหนูขอกราบเรียนถามว่าถ้าเพื่อนๆเขามาร่วมบุญนําเงินมาร่วมด้วยกันมาร่วมกําลังเงินแล้วแบบนี้หนูได้บุญมากกว่าหรือว่าได้เท่าๆกันคะก็อยู่ที่เงินของหนูที่จะต้องใช้กับการทําบุญทําทานสมมติหนูตั้งใจจะทำหมื่นหนึ่งแล้วเพื่อนเข้ามาร่วมห้าพัน หนูก็เลยลดจำนวนเงินจากหมื่นเหลือห้าพันหนูก็ได้แค่ครึ่งเดียวเพราะแบ่งให้เพื่อนไปอีกครึ่งหนึ่งแต่ถ้าหนูอยากจะได้หมื่นหนูก็ทำหมื่นหนึ่งไปเพื่อนมาร่วมก็ทาไปกลายเป็นหมื่นห้าไปแทนที่ตั้งใจจะตั้งลงทานหมื่นหนึ่งก็กลายเป็นลงทานหมื่นห้าไปอย่างนี้หนูก็ยังได้บุญเท่ากับที่หนูตั้งใจจะทำเท่าเดิมอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมาร่วมมากร่วมน้อย มันอยู่ที่ว่าเราเสียสละส่วนของเรามากหรือน้อยถ้าเสียสละเท่าที่เราตั้งใจไว้เราก็ได้เท่าเดิมถ้าไม่มีคนมาร่วมเราก็เสียเท่านี้มีคนมาร่วมเราก็เสียเท่านี้มันก็เราก็ได้บุญเท่าเดิมบุญไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่เราว่าเราทำมากทำน้อยคําถามจากคุณวันเรียนถามพระอาจารย์ผ้าอาบน้าฝน สามารถถวายได้ตลอดไหมหรือว่าต้องก่อนเข้าพรรษาเท่านั้นตามพระเวิ น, ยนัยในพระนิยมพระพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ผ้าใช้ใช้ผ้าอาบน้ําฝนได้เฉพาะช่วงเวลาเข้าพรรษาสามเดือนสมัยก่อนไม่มีห้องน้ําห้องท่าเวลาฝนตกนี้ท่านก็จะออกมาเล่นน้ําฝนอาบน้ําฝนกันกลางแจ้งมันก็ถ้าไม่มีผ้าถ้าอาผ้าจีวรที่ใช้นุ่งมาอาบ มานุ่งแล้วอาบมันก็ไม่มีผ้าเปลี่ยนเพราะผ้ า, ผ, าผ้าสมัยก่อนท่านจะใช้ผ้าสามผืนก็จะลําบากก็เลยให้ถวายผ้าอาบน้ําฝนไว้ใช้สําหรับฤดูฝนพอออกจากฤดูฝนท่านก็บอกให้ผ้าสละผ้านั้นไปเพราะไม่มีฝนไม่มีจําเป็นจะต้องใช้ผ้านั้นแล้วแต่สมัยนี้เราไม่ได้อาบน้ําฝนกันแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีห้องน้ําห้องท่ามีน้ําประปาหรือตามวัดท่นันก็มีห้องน้ํา ถ้าไม่มีน้ำปราปลาก็มีน้ำบอ่อน้ำอะไรอาบกันก็แล้วก็ผ้าก็มีเยอะอยู่แล้วดงนั้นการถวายผ้าอาบน้ำก็เลยเป็นเพียงแค่เป็นพิธีไปเท่านั้นเองไม่ได้มีผลแตกต่างต่อการอยู่ของพระเท่าไหร่คำถามจากคุณปาล์มผมนั่งอยู่บนเก้าอี้นิ่งๆและมองตรงไปข้างหน้าแล้วอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่า อยากสงบและผมก็คิดให้ใจนิ่งเฉยไม่คิดอะไรสักพักประมาณหนึ่งนาทีมันเหมือนวืบแล้วมันก็นิ่งรู้สึกสงบสบายจิตไม่ได้คิดนิ่งเห็นชัดแค่ลมหายใจเข้าออกอาการเหมือนคนนอนหลับสบายแต่ผมรู้สึกตัวและตาก็ยังมองตรงไม่ได้หลับแต่มันไม่ได้คิดกับสิ่งที่ตามองเห็น มันนิ่งสบายรู้สึกชัดแค่ลมหายใจเข้าออกอาการแบบนี้เป็นสมาธิไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่ง<ฮ>ยังไม่เต็มที่ถ้าสมาธิมากกว่านี้มันบางทีลมหายไปร่างกายหายไปเลย<ฮ>ไม่รับรู้อะไรยังเข้าไปไม่สุด<ฮ>ถ้าเข้าไปในถ้ำก็ยังอยู่วรางขึ้งกลางถ้ำอยู่เสียงภายนอกยังได้ยินอยู่แต่ไม่ไม่ลำคาญใจไม่รบกวนใจ คำถามจากคุณธนัท อ, อการถวายหลอดไฟถวายได้ตลอดพรรษาเลยหรือเปล่าคะได้ไม่มีข้อห้ามถวายตลอดทั้งปีเวลาไหนอยากจะถวายก็ถวายได้เพียงแต่ว่าสมัยก่อนเรานิยมถวายแสงสว่างคือเทียนสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าก็ใช้เทียนกันที่ถวายช่วงเข้าพรรษาเพราะมีผ้าไหมมาบวชกันเยอะเป็นธรรมเนียมของชาวไทยเรา ที่ลูกอายุยี่สิบปีก็จะให้บวชกันดน้นในช่วงพรรษานี่จะมีพระเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าของเวลานอกพรรษาเช่นเบองไทยมีพระอยู่แสนลูกนอกพรรษาพอเข้าพรรษาก็จะเพิ่มเป็นสองแสนลูกดังนั้นความต้องการใช้แสงสว่างในสมัยก่อนก็มีมากเพราะต้องใช้ในการไหว้พระสวดมนต์ใช้ในการอ่านหนังสือใช้ในการใช้แสงสว่างเวลาไป เดินนไม่ไหนก็ใช้แสงเทียนกันเป็นหลักก็เลยมีความจําเป็นจะต้องใช้เทียนกันมากเลยมีธรรมเนียมที่จะต้องทําถวายเทียนเข้าพรรษากันในช่วงก่อนเข้าพรรษาเพราเวลาเข้าพรรษาแล้วจะได้มีเทียนใช้กันอย่างทั่วถึงแต่มาสมัยนี้นะเราก็เปลี่ยนจากการให้เทียนเป็นหลอดไฟเพราะเราใช้ไฟฟ้ากันเป็นหลักงั้หลอดไฟมันไม่มันไม่เสียง่ายมัน ถวยหลออนึงมันอาจจะใช้ได้ทั้งปียังเราอยากจะถวายตอนไหนก็ถวายได้คําถามจากคุณสุมาศกราบเรียนถามพระอาจารย์พิจารณาร่างกายอย่างมีสติควรทําอย่างไรครับก็ให้คิดอย่างที่เราคิดเลขอย่างเงี้ยถ้าคิดเลขไม่มีสติเดี๋ยวคิดผิดคิดถูกคิดไปแล้วก็ไปคิดถึงแฟนคิดไปถึง คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บวกลบคูณหาเดี๋ยวบางทีไม่ได้ไม่ได้ตัวเลขที่ถูกต้องเพราะสติไม่ได้อยู่กับการคิดเลขอย่างเดียวเมืม่อแต่ไปคิดถึงคนนั้นคน น, น, ค น, นี้เวลาบวกลบคูณหารเลยเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้เช่นเดียวกับการพิจารณาร่างกายก็เหมือนกันการพิจารณาร่างกายนี้ต้องการพิจารณาให้มันพิจารณาจนเห็นชัดจนเข้าใจจนไม่หลงไม่ลืม แต่ถ้าเราคิดโดยไม่มีสติอาจจะคิดได้แค่ครั้งหนึ่งพิจารณาอาการ32ได้หนึ่งรอบก็เผลอไปคิดเรื่องคนนั้นคนนี้ละบางทีไม่ถึงหนึ่งรอบเลยอาการ32บางทีได้แค่สิบอาการก็ไปละไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ละมันก็เลยไม่เห็นอาการ32ได้อย่างชัดเจนแล้วไม่สามารถจดจำได้อย่างชัดเจนได้ให้อยู่ในใจได้นานถ้ามมีสตินี่มันจะ อยู่กับอาการ3 2มอยู่เรื่อยๆหลายๆรอบหลายๆครั้งเหมือนหัดท่องสูตรคูนี้หรือหัดท่องบทสวดมนี้ถ้าเราท่องด้วยการมีสติหรือการเรียนหนังสือก็เหมือนการสมัยเรียนหนังสือบางวิชาต้องอาศัยความจำเนี่ยถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันจําไม่ได้จําได้แป๊บเดียวเช่นเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องจำควาความความหมายของคำใช่ไหมหมาด็ อ, ดอกแปลว่าหมาเงี้ย ถ้าเราไม่ท่องไว้เดี๋ยวเราก็ลืมได้อันนี้ต้องมีสติมันถึงจะสามารถทำในคิดในเรื่องที่เราต้องคิดให้คิดไปบ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะจำได้เมื่อมันจำได้แล้วก็ถือว่าเราก็ได้ความรู้แล้วมันอยู่ในใจแล้วไม่ลืมแล้วทีขั้นต่อไปก็เอาความรู้นี้ไปชาระกิเลส ต, ต่อไป เวลาเห็นร่างกายของใครสวยงามก็มองเข้าไปในข้างทะลุใต้ผิวหนังไปเห็นแต่ข้างนอกไม่เห็นข้างในต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้เป็นตาเอ็กซเรให้เราเข้าไปดูกระดูกให้เราไปดูหัวใจดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้อะไรต่างเมื่อเห็นทะลุเข้าไปข้างในแล้วความสวยงามมันก็จะหายไปความอยากได้เขามาเป็นแฟนก็จะหายไป ก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่ว้าเหว่ <c oughs> คำถามจากคุณกริติกากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเรื่องการทำบุญสมัยก่อนทำแล้วก็ดีใจตอนนี้ทำแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรทำแล้วก็แล้วกันไม่ได้รู้สึกปิติ ชื่นใจอะไรเวลานึกถึงภายหลังแต่ก็ยังทำอยู่เรื่อยๆไม่ทราบว่าแบบนี้จะเรียกว่าได้บุญไหมคะหรือควรปรับแนวคิดอย่างไรดีก็เหมือนกับการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกปากเรานะแต่เราก็รับประทานอาหารรับแล้วมันก็อิ่มใช่ไมแต่ถ้าเรารับประทานอาหารที่ถูกปากถูกใจด้วยนอกจากอิ่มแล้วมันเกิดปิติเกิดความสุขด้วย ยันการทำบุญบางครั้งอาจจะไม่เกิดความรู้สึกอะไรมากนักเพราะเราไม่เห็นผลของบุญที่เราทำว่าเกิดประโยชน์อย่างไรเช่นเอาเงินใส่ตู้บริจาคนี่มันไม่รู้ว่าเงินนี้จะไปทำอะไรกันแต่ถ้าเราเอาเงินไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเห็นเขาไม่มีอาหารกินแล้วเขาได้กินอาหารแล้วเขาดีอกดีใจเขายิ้มแย้มแจ่มจใสพอเราเห็นเ ร, เราก็จะเกิดความปิติสุขขึ้นมา เงินก้อนเดียวกันแต่ใช้ใช้ทําประโยชน์ต่างกันประโยชน์ใสในตู้บริจาค ก, ก็มีเพียงแต่ว่าทางวัดเขาไม่มีเวลามาแจกให้เราทราบ mm hmm. เราต้องคิดเองว่า อ, อ๋อโบสถ์หรือวัดที่อยู่มาได้ก็เพราะเงินที่เราใส่ไปในตู้นี้ mm hmm. แต่เรามองไม่เห็นชัดไม่ทันติไ ม, ม่มันไม่ชัดเจนเหมือนกับที่เราไปช่วยคนอย่างใสาบาส น, นี้อาจจะมีความรู้สึกที่เห็นชัดเจนกว่าเ อ, อ็ อาหารนี่ที่เราชอบกินนี่พระแบ่งให้ภาคินบ้างนะเนอพอรู้ว่าภาคจะเอาหารที่เราชอบไปกินเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมางั้นการทําบุญมันจะมันได้บุญคือความพอใจบุญนี้ทําให้เรามีความพอใจมีความอิ่มใจแล้วก็มีความสุขใจถ้าเราเห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการเสียสละของเราอย่างได้เราอยากจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจ นอกจากอิ่มนล้เกิดความปิติเกิดความสุขใจเราก็ต้องรู้ว่ า, เ, าเงินที่เราเสียสละไปนี้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแก่ผู้รับเช่นเขาไม่สบายแล้วเราส่งตัวไปรักษาให้หายเขาหายจากโรคภยยัยไข้เจ็บได้เพราะเราเราจะรู้สึกมีความสุขมากแต่ถ้าเราไปบริจาคเงินที่โรงพยาบาลเงินเท่ากันเราไม่รู้ว่าเขาจะไปใช้ในส่วนไหนความรู้สึกก็จะต่างกัน ในส่วนที่ของความสุขใจปิติแต่ในเรื่องของความอิ่มใจก็ยังมีอยู่เราก็รู้ว่าเราได้เสียสละเอาเงินไปทำประโยชน์เพียงแต่เราไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองคำถามจากคุณสรรพบหากเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกจริตอาทิการสวดมนต์ออกแนวรัวเร็วเสียงดัง ซึ่งไม่ซึ่งไม่ค่อยตรงกับจริตเราควรเปลี่ยนสถานที่หรือปฏิบัติต่อไปดีครับก็ตามใจถ้ามีสถานที่ที่ถูกจริตเราก็ไปที่อื่นก็ได้เหมือนกินอาหารน่ยกินอาหารร้านนี้ไม่อร่อยมีาาร้านอร่อยกว่าคุณจะเปลี่ยนไหมล่ะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการให้อาหารแก่จิตใจแต่ถ้ามีอยู่ร้านเดียวก็ทนกินไปเถิดดีกว่าอด คำถามสุดท้ายคำถามจากคุณทาทาขออนุญาตสอบถามครับอาชีพที่ต้องลงโทษลงทันคนอื่นเช่นผู้พิพากษามือประหารผู้บังคับบัญชาลงโทษลูกน้องตามวินยัยจำคุคกกักขังอาชีพพวกนี้บาปไหมครับถ้าไม่ถึงกับฆ่าตายไม่บาป แต่ถ้าฆ่าถึงจะบาปเพราะมันปานานติบาตแต่เพียงแต่ลงโทษให้เขาเข็ดลาดนี้ไม่บาป ท, ทำได้พระพุทธเจ้ายัางลงโทษพระเนี่ยให้พระต้องบงอาบัติไม่ต้องไปอยู่กรรมนี้หรือถึงกับขั้นให้ลาออกจากการเป็นพระไปเลยสิกขาลาเทศอันนี้ก็เป็นการลงโทษเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับฆ่าพระไม่ใช่พระทําปาราชิกป้ต้อง ประหารชีวิตอย่างนี้ไม่ปราหาน<ม>ถ้าไม่ถึงกับประหารชีวิตนี้ไม่บาปถ้าประหารชีวิตทําให้เขาตายนีนบาปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นผู้พากษาก็มีส่วนเพราะสั่งเขา<ม>ผู้เป็นอผู้บุญคนกะระทําก็บาป<ม>คือคนที่ฆ่าพิจฉาญก็บาปแม้มแต่ทหารตำรวจที่ไปต่อสู้กับฆ้าศัตรูฆ่าเขาก็บาปเหมือนกัน อันนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่มันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อยากที่จะไปรับผลของกฎแห่งกรรมก็อย่าไปทำมันอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด